ยาี yeah, เรื่องฉลาดกับเฉลียวฉลาดกับเฉลียวไปเรียนกับอาจารย์คนเดียวกันไปพร้อมกัน ฉลาดเป็นคนหัวดีอาจารย์สอนอะไรรู้จำได้หมดเรียนรู้เร็วเฉลียวไม่ค่อยฉลาดหัวไม่ค่อยดีแต่ขยันมีเวลาว่างก็อาจตำราตำราศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยนอกจากสอนหนังสือแล้วอาจารย์ก็จะสอนเรื่องการดำรงชีวิตในป่า การอยู่ร่วมกับสิงสาร า, าสัตว์อย่างปลอดภัยเรียนรู้เรื่องรอยเท้าสัตว์แต่ละชนิดวันหนึ่งอาจารย์ให้ฉลาดและเฉลียวไปตักน้ำริมลาธารทั้งสองคนก็ฝึกวิชาดูรอยเท้าสัตว์ไปด้วยฉลาดพยายามทำตัวข่มเฉลียวอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองฉลาดกว่าหัวดีกว่า เรียนรู้เร็วกว่าฉเฉลียวก็เฉยเฉยไม่ได้ว่าอะไรพอถึงริมลำธารฉลาดเห็นรอยเท้าที่ริมตะลิ่งที่เป็นดินอ่อนจึงชี้ให้ฉเฉลียวดูบอกว่าฉเฉลียวเนี่ยเป็นรอยเท้าคนและน้ำที่เปียกอยู่บนดินเนี่ยเป็นชีมนุษย์ฉเฉลียวหันมามองแล้วบอกว่า ใช่เป็นชีของผู้หญิงกําลังท้องแกฉลาดตกใจทำไมเฉลียวมันรู้ได้ละเอียดกว่าเรานึกในใจว่าอาจารย์คงรักเฉลียวมากกว่าเราและคงแอบสอนวิชาพิเศษให้กับเฉลียวมันถึงเก่งกว่าเราคิดแล้วแค้นใจมากพอกลับมาถึงที่พักอาจารย์ ฉลาดก็ชี้หน้าอาจารย์และพูดว่าอาจารย์เสียแรงที่ขาเคารพนับถือท่านทำตัวไม่สมเป็นอาจารย์คนเลยท่านมีจิตใจต่ําซามลำเอียงรักลูกศิษย์ไม่เท่ากันสอนลูกศิษย์ไม่เหมือนกันท่านเกลียดข้าท่านรักเฉลียวมากกว่าข้าเพราะข้าประจบสอนพลอไม่เป็นท่านรับผิดมาซาดีๆว่า ท่านแอบสอนวิชาพิเศษให้แก่เฉลียวอาจารย์ได้ฟังก็ยิ้มแล้วเอ่ยตอบสิทธิ์ไปว่าเราเป็นอาจารย์รักษาศีลคำพูดเราไม่เคยโกหกผู้ทรงศีลย่อมทรงคุณธรรมเรารักสิทธิ์ทุกคนเท่ากันเสมอกันและสอนท่านทั้งสองคนเหมือนกัน ไม่เคยมีวิชาพิเศษและไม่เคยสอนใครพิเศษท่านจะเชื่อหรือไม่เป็นเรื่องของท่านแต่เราจะพิสูจน์ให้ท่านดูวันนี้เราจะมอบงานให้ท่านทำเป็นวิชาที่ข้าไม่เคยสอนดูว่าเจ้าสองคนใครจะทำได้ดีกว่ากันพรุ่งนี้เช้าเจ้าจงเอาหมอดิน ใส่น้ำมาให้ขาะคนละใบดูว่าใครจะใส่น้ำได้มากกว่ากันพอรุ่มเช้าทั้งฉลาดและเฉลียวก็เอาหม้อดินตักน้ำมาให้อาจารย์คนละใบพอตั้งคู่กันปรากฏว่าน้ำในหม้อดินที่เฉลียวยกมาเต็มปรีขอบหมอ้อแต่ของฉลาด น้ำพร่องลงไปนิดหนึ่งน้อยกว่าของเฉลียวอาจารย์จึงเอ่ยขึ้นว่าเมื่อวานนี้เราใช้คำสั่งคำเดียวกันทั้งสองคนได้ยินพร้อมกันทุกอย่างเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับแล้วทำไมน้ำที่ได้จึงไม่เท่ากันฉลาดนิ่งเงียบไม่ตอบ ไม่รู้จะพูดยังไงได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจอาจารย์จึงบอกว่าพรุ่งนี้เราจะพาท่านทั้งสองไปทดสอบวิชาที่เรียนมาวันนี้ให้เจ้าเตรียมตัวให้พร้อมและพักผ่อนให้เต็มที่รุ่งเช้าอาจารย์ก็พาฉลาดและเฉลียวออกเดินป่า พอเห็นรอยเท้าสัตว์รอยหนึ่งอาจารย์ก็ถามว่านี่เป็นสัตว์อะไรฉลาดรีบริงตอบก่อนเป็นช้างเพราะเอารอยเท้ากลมๆใหญ่ๆและที่สำคัญมันขี้ไว้ด้วยขี้นี้เป็นขี้ช้างแน่นอนตอบเสร็จก็ยิ้มวางมาดเหมือนผู้ชน ะ, ฉะเฉลียวตอบต่อว่า เป็นช้างแน่นอนครับท่านอาจารย์และตาบอดด้วยฉลาดตกใจหน้าซีดเลยทำไมเฉลียวรู้ว่าช้างตาบอดแต่เราไม่รู้อาจารย์ถามต่อว่าตาบอดข้างไหนฉลาดไม่ทราบครับเฉลียวละ่ะตาบอดข้างซ้ายครับอาจารย์ ฉลาดสงสัยมากว่าเฉลียวรู้ได้ยังไงว่าตาช้างบอดข้างซ้ายแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าถามกลัวเสียฟอร์มกลัวข้อหาว่างโง่นิ่งเงียบเฉยพอกลับถึงที่พักอาจารย์อาจารย์ก็เรียกสทยิทั้งสองมาคุยกันต่อหน้าอาจารย์ถามเฉลียวว่า เห็นรอยเท้ามนุษย์ที่ริมทานทำไมถึงรู้ว่าเป็นผู้หญิงท้องแก่ท่านอาจารย์ครับผมสังเกตจากฉี่น้ำฉี่เปียกอยู่บริเวณตรงกลางระหว่างรอยเท้าทั้งสองข้างต้องเป็นฉี่ของผู้หญิงแน่นอนเพราะถ้าเป็นฉี่ผู้ชายจะต้องอยู่ห่างจากรอยเท้ามากและจะมีรอยกระเด็นกระจัดกระจาย เพราะผู้ชายยืนชี่ส่วนที่รู้ว่าเป็นคนท้องแก่ก็เพราะว่าตรงด้านหน้าของรอยเท้ามีรอยมือด้านขวากดบุ๋มอยู่บนพื้นดินผู้หญิงท้องแก่พอฉี่เสร็จแล้วลุกยืนไม่ไหวเพราะท้องหนักหัวเท่ายันไม่อยู่ไห ว, เ, ว, ว, ไไหวเลยต้องใช้มือยันช่วยดินตรงนั้นอ่อนจึงบุ๋มเป็นรอยมือครับอาจารย์ อ้าวแล้วตอนทีให้ตักน้าใส่หม้อดินมาทำไมฉเฉลียวถึงตักน้ำได้มากกว่าฉลาดล่ะผมใช้วิธีสังเกตครับอาจารย์ผมสังเกตว่าหม้อดินมันไม่เหมือนหม้ออลูมิเนียมหม้อดินแห้งๆพอใส่น้ำเข้าไปดินมันจะดูดน้ำเข้าไปส่วนหนึ่งผมเลยเอาหมออดินไปแช่น้ำไว้คืนหนึ่งก่อนให้มันอิ่มน้า ตอนเช้าพอใส่น้ำมาให้อาจารย์มันจึงเหลือเต็มเต็มส่วนของฉลาดไม่ได้เอามอ ด, ดินแช่น้ำพอใส่น้ำมอ ด, ดินมันเลยดูดน้ำเอาไปส่วนหนึ่งน้ำในหม้อของฉลาดจึงน้อยกว่าในหม้อของผมครับอาจารย์แล้วตอนไปดูรอยเท้าช้างทำไมเจ้าจึงรู้ว่าเป็นช้างตาบอดแล้วทำไมถึงรู้ว่า บอดตาซ้ายข้อนี้ไม่ยากครับท่านอาจารย์ข้าสังเกตว่ากิ่งไม้ข้างทางมันหักราบไปด้านเดียวอีกด้านหนึ่งยังสมบูรณ์เป็นปกติโดยธรรมชาติเวลาช้างเดินไปไหนมันจะหักใบไม้กินไปตลอดทางแต่นี่กิ่งไม้หักด้านเดียวแสดงว่ามันมองเห็นข้างเดียวจึงเก็บกินด้านเดียวอีกด้านหนึ่งไม่ได้เก็บ ส่วนที่รั้วาตาบอดซ้ายเพราะว่ากิ่งไม้ด้านขวาหักราบเป็นหน้ากลองด้านซ้ายดีเฉยแสดงว่ามันมองเห็นเฉพาะทางขวาจึงหากกิ่งไม้ด้านขวากินส่วนตาซ้ายบอดมองไม่เห็นกิ่งไม้ทางซ้ายจึงอยู่เป็นปกติเจ้าฉลาดมากเฉลียวเจ้าไปเรียนเรื่องพวกนี้มาจากไหน ใครสอนเจ้าไม่มีใครสอนข้าหรอกอาจารย์ข้าอาศัยช่วงเวลาว่างศึกษาเองจากตำรับตำรามันคิดมันสังเกตมันทดสอบทดลองฉลาดเจ้าได้ยินไหมเจ้ารู้หรืออย่างว่าทำไมเฉลียวจึงมีความรู้มากกว่าเจ้าฉลาดก้มหน้านิ่ง ไม่ตอบ